อุปมาด้วยสตรีมีคันบพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งท้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วพรามคนหนึ่งมีพัญญาสองคนบุตรของพัญญาคนหนึ่งมีอายุสิบปีหรือสิบสองปีพัญญาอีกคนหนึ่งมีคันใกล้จะคลอดต่อมาพรามเสียชีวิตลง ชายหนุ่มพูดกับแม่เลี้ยงดังนี้ว่าคุณแม่ทรัพย์ธั ญ, ญชาติเงินหรือทองทั้งหมดล้วนเป็นของฉันแม่ไม่มีส่วนแบ่งในทรัพย์สมบัตินี้โปรโดมอบประดกของพ่อแก่ฉันเมื่อชายหนุ่มกล่าวอย่างนี้นางพรามณีนั้นกล่าวกับชายหนุ่มนั้นดังนี้ว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงรอจนกว่าแม่จะคลอดถ้าเด็กที่เกิดมาเป็นผู้ชายเขาจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งลูกเอ๋ย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 แม้ครั้งที่สองนางพรามณีก็กล่าวกับชายหนุ่มนั้นอีกว่าลูกเอย๋ยเจ้าจงรอจนกว่าแม่จะคลอดถ้าเด็กที่เกิดมาเป็นชายเขาจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งถ้าเด็กที่เกิดมาเป็นหญิงเขาจะเป็นผู้รับใช้ของเจ้าแม้ครั้งที่สามชายหนุ่มก็พูดกับแม่เลี้ยงอีกว่าคุณแม่ทรัพย์ธั ญ, ญชาติเงินหรือทองทั้งหมดล้วนเป็นของฉันแม่ไม่มีส่วนแบ่งในทรัพย์สมบัตินี้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 พระองค์ผู้โง่ไม่ฉลาดเมื่อแสวงหาโลกอื่นโดยวิธีที่ไม่แยบคายจากถึงความพินาศฉันนั้นเบอร์พิษสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมไม่เหมือนนางพรามณีผู้โง่ไม่ฉลาดเมื่อแสวงหามรดกโดยวิธีที่ไม่แยบคายได้ถึงความพินาศแล้วคือเขาไม่เร่งอายุที่ยังไม่สิ้นให้สิ้นไปแต่รอให้อายุสิ้นไปเอง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 ด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์แม่นี้แลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปะปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีท่านกัสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปะปาติกะสัตไม่มีผลวิบาก์แห่งกรรมที่ทาดีและทาชั่วไม่มีบพิ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 ท่านกสปะพวกราชบุรุษของโยมในโลกนี้จับโจรผู้ก่อกำชั่วมาแสดงแก่โยมว่าฟาพระบาทนี้เป็นโจรผู้ก่อกรำชั่วต่อพระองค์พระองค์โปรดลงพระราชอาชญาแก่โจร น, นี้ตามพระประสงค์เถิดโยมสั่งพวกราชบุรุษอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงจับบุรุษนี้ใส่หม้อทั้งเป็นแล้วปิดปากหม้อรัดด้วยหนังสดพอกด้วยดินเหนียวให้หนา ยกขึ้นตั้งเตาแล้วติดไฟพวกราชบุรุษรับคำของโยมแล้วจึงจับบุรุษนั้นใส่หม้อทั้งเป็นแล้วปิดปากหม้อรัดด้วยหนังสดพอกด้วยดินเหนียวให้หนายกขึ้นตั้งเตาแล้วติดไฟเมื่อโยมรู้ว่าบุรุษนั้นเสียชีวิตแล้วจึงให้ยกหม้อนั้นลงกระเทอดดินเหนียวออกแล้วค่อยๆเปิดปากหม้อตรวจดูว่า บางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะวิญญาณของบุรุษนั้นออกมาบ้างแต่พวกเราไม่เห็นชีวะของเขาออกมาเลยท่านกัสปะนี้แลเป็นเหตุที่ทำให้ยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปปาติกาสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี ประมาด้วยคนหลับฝันบพิษถ้าอย่างนั้นอาตามาภาพขอถวายพระพรถามพระองค์ในเรื่องนี้โปรดตัดตอบตามที่พอพระไทยพระองค์ทรงเคยบรรทมกลางวันทรงสุบินเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าอันน่ารื่นรมพื้นที่อันน่ารื่นรมและสระบครณีอันน่ารื่นรมบ้างไหมท่านกสปะรโยมเคยหลับกลางวันฝันเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าอันน่ารื่นรม พืนที่อันน่ารื่นรมและสบครณีอันน่ารื่นรมในขณะที่ทรงสุบินนั้นมีหญิงค่อมหญิงเตี้ยนางภูษามาลาหรือเด็กสาวคอยดูแลพระองค์อยู่หรือท่านกัสปะในขณะที่ฝันนั้นมีหญิงค่อมหญิงเตี้ยนางภูษามาลาหรือเด็กสาวคอยดูแลโยมอยู่หญิงเหล่านั้นเห็นชีวะของพระองค์เข้าออกอยู่หรือไม่ท่านกัสปะ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 ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีท่านกษัตสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีเบรพิษเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกัสปะเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีมีอยู่บพิตอุปมาด้วยอะไรท่านกัสปะพวกราชบุรุษของโยมในโลกนี้จับโจรผู้ก่อกรรมชั่วมาแสดงแก่โยมว่า ฝาพระบาทนี้เป็นโจรผู้ก่อกรรมชั่วต่อพระองค์พระองค์โปรดลงพระอาชญยาแก่โจร น, นี้ตามพระประสงค์เถิดโยมสั่งพวกราชบุรุษอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเอาตาช่่งมาช่่งบุรุษนี้ทั้งเป็นแล้วใช้เชือกมัดให้ขาดใจตายเอาตาช่าง่งช่่งอีกครั้งหนึ่งพวกราชบุรุษรับคาของโยมแล้วจึงเอาตาชฉ่งไปชฉ่งบุรุษนั้นทั้งเป็นแล้ว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 ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีอุปมาด้วยก้อนเหล็กร้อนบพิษถ้าเช่นนั้นอาตามาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับ คนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งท้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเปรียบเหมือนคนเอาตาช่างช่างก้อนเหล็กที่เผาไว้ตลอดวันติดไฟลุกโพลงต่อมาใช้ตาช่างช่างก้อนเหล็กนั้นขณะเย็นสนิทเมื่อไรก้อนเหล็กนั้นจะมีน้ำหนักเบากว่าอ่อนกว่าและดัดง่ายกว่าคือเมื่อติดไฟลุกโผลงอยู่หรือว่าเมื่อเย็นสนิทแล้วท่านกัสปะ เมื่อก้อนเหล็กนั้นมีไฟมีลมติดไฟลูกโพรงอยู่จะมีน้ำหนักเบากว่าอ่อนกว่าและดัดได้ง่ายกว่าแต่เมื่อก้อนเหล็กนั้นไม่มีไฟไม่มีลมเย็นสนิทจะมีน้ำหนักมากกว่าแข็งกระด้างกว่าและดัดได้ยากกว่าบะพิษเช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อร่างกายนี้ยังมีอายุมีไออุ่นและมีวิญญาณจะมีน้ำหนักเบากว่าอ่อนนุ่มกว่าและปรับตัวได้ง่ายกว่า แต่เมื่อร่างกายนี้ไม่มีอายุไม่มีอายุุ่นและไม่มีวิญญาณจะมีน้ำหนักมากกว่าแข็งกระด้างกว่าและปรับตัวได้ยากกว่าเบอร์พิทด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์แม่นี้แหลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปปาติกะสัตนมีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีท่านกัสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่า แม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปปาติกะสัตย์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีบพิษเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปปาติกะสัตย์ไม่มีผลวิบาแกแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกระสปะเหตุที่ทำให้ยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มี โอปะปาติกะสัตไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีมีอยู่บภิษอุปมาด้วยอะไรท่านกระสปะพวกราชบุรุษของโยมในโลกนี้จับโจรผู้ก่อกรรมชั่วมาแสดงแก่โยมว่าฝ่าพระบาทนี้เป็นโจรผู้ก่อกรรมชั่วต่อพระองค์พระองค์โปรดลงพระอาชญาแกโนน่โจรนี้ตามพระประสงค์เถิดโยมสั่งพวกราชบุรุษอย่างนี้ว่า ถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงฆ่าบุรุษนี้อย่าให้ผิวหนังเอ็นกระดูกและเยื่อในกระดูกช้าบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบ้างพวกราชบุรุษรับคําของโยมแล้วจึงฆ่าบุรุษนั้นไม่ให้ผิวหนังเอ็นกระดูกและเยื่อในกระดูกช้าเมื่อบุรุษนั้นใกล้ตายโยมสั่งว่าพวกท่านจงผลักให้เขานอนงาย บางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบ้างเมื่อราชบุรุษผลักให้เขานอนงายพวกเราก็ไม่ได้เห็นชีวะของเขาออกมาเลยโยมจึงสั่งอีกว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงพลิกให้เขานอนควม่มให้เขานอนตะแคงข้างหนึ่งให้นอนตะแคงอีกข้างหนึ่งจงพยุงให้ลุกขึ้นจับศีรษะกดลงใช้ฝ่ามือทุบใช้ก้อนดินทุบ ใช้ท่อนไม้ทุบใช้สัตวตราทุบแลกมาลากไปลากไปลากมาบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบ้างพวกราชบุรุษลาบุรุษนั้นมาลากบุรุษนั้นไปลากไปลากมาพวกเราก็ไม่เห็นชีวะของเขาเลยตาของเขาก็เหมือนเดิมรูปก็รูปเดิ ม, ดมแต่ตานั้นไม่รับรู้รูปนั้นหูของเขาก็หูเดิม เสียงก็เสียงเดิมๆแต่หูนั้นไม่รับรู้เสียงนั้นจมูกของเขาก็จะหมูกเดิมกลิ่นก็กลิ่นเดิมๆแต่จมูกนั้นไม่รับรู้กลิ่นนั้นลิ้นของเขาก็ลิ้นเดิมรสก็รสเดิมๆแต่ลิ้นนั้นไม่รับรู้รสนั้นกายของเขาก็กายเดิมโพธพภะก็โพธิพะเดิมๆแต่กายนั้นไม่รับรู้โพธพภะนั้นท่านกัสปะ นี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแข่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีอุปมาด้วยการเป่าสังบพิษถ้าเช่นนั้น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 ท่านทั้งหลายนั่นเสียงใครกันน่าพอใจน่ารักใคร่น่าหลงไหลน่าติดใจไพเราะอย่างนี้จึงพากันล้อมคนเป่าสังถามว่าพ่อคุณนั่นเสียงใครกันน่าพอใจน่ารักใคร่น่าหลงไหลน่าติดใจไพเราะอย่างนี้คนเป่าสังตอบว่าท่านทั้งหลายนี้เป็นเสียงสังน่าพอใจน่ารักใคร่น่าหลงไหลน่าติดใจไพเราะอย่างนี้ ชาปัจจันตชนบทเหล่านั้นจับสังนั้นให้หงายขึ้นแล้วสั่งว่าผู้สิพ่อสังผู้สิพ่อสังสังนั้นก็ไม่ส่งเสียงพวกเขาจับสังให้คว่ำหน้าลงจับสังให้ตะแคงข้างหนึ่งจับสังให้ตะแคงอีกข้างหนึ่งยกสังให้สูงขึ้นวางสังให้ต่ําลงใช้ฝ่ามือเคาะใช้ก้อนดินเคาะใช้ท่อนไม้เคาะใช้สัตตราเคาะ ลากมาลากไปลากไปลากมาแล้วสั่งว่าพูดสิพ่อสังพูดสิพ่อสังสังนั้นก็ไม่ส่งเสียงคนเป่าสังได้มีความคิดดังนี้ว่าชาวปัจจันตะชนบทเหล่านี้ช่างโง่เขาจริงฉไหนจึงแสวงหาเสียงสังโดยไม่ถูกวิธีอย่างนี้เล่าขณะที่ชาวปัจจันตะชนบทเหล่านั้นกำลังมุงดูอยู่เขาจึงหยิบสังขึ้นมาเป่าสามครั้ง แล้วถือสังเดินไปชาวปัจจันตชนบทเหล่านั้นพูดกันว่าท่านทั้งหลายเมื่อสังนี้มีคนมีความพยายามและมีลมจึงส่งเสียงได้เมื่อสังนี้ไม่มีคนไม่มีความพยายามและไม่มีลมก็ส่งเสียงไม่ได้เบอร์พิธเช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อกายนี้ยังมีอายุมีไออุ่นและมีวิญญาณจึงก้าวไปได้ถอยกลับได้ยืนได้นั่งได้นอนได้ เห็นรูปทางตาได้ฟังเสียงทางหูได้ดมกลิ่นทางจมูกได้ลิ้มรสทางลิ้นได้ถูกต้องผลทพะทางกายได้รู้ธรรมารมทางใจได้แต่เมื่อกายนี้ไม่มีอายุไม่มีไอายุอุ่นและไม่มีวิญญาณกายนี้จึงก้าวไปไม่ได้ถอยกลับไม่ได้ยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนไม่ได้เห็นรูปทางตาไม่ได้ฟังเสียงทางหูไม่ได้ดมกลิ่นทางจมูกไม่ได้ ลิ้มรสทางลิ้นไม่ได้ถูกต้องโผฏภะทางกายไม่ได้หรือรู้ธรรมารมทางใจไม่ได้บพิษด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์แม้นี่แลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตมีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีภาณวาระที่หนึ่งจบ